ที่พิจถอเคยเคยพูดเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะครับผจไม่ได้เอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันอาลานค่ะในเป็นช่วงบ่ายคะแต่ช่วงนี้ช่วงก็วนนี้โมอยากจะพูดทังนอนี้ให้กาลังใจของคนที่ทาหนังสือหรือว่าเขามีจุดประสงค์ยังไงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็บอกไปแล้วใช่ค่ะจบอกไปแล้วแต่เดี๋ยวโมจะมีเรื่องนึง ถามไม่ถูกถามรอบนอกขออ่อนเนไม่ไถรับพระอาจารย์ว่าสมควรไหมหรือพระอาจารย์จะรวมไปแล้วว่าอย่างการทำหนังสือเนี่ยสําหรับคนที่คนทาเนี่ยเขาควรจะวางจิตยังไงมือความมีตั้งจิตยังไงที่จะทําหนังสือนี้นให้สําเร็จครับพระอาจารย์คำถามนี้พระอาจารย์คิดว่าควรจะถามก็ก็ได้นะก็จะตั้งจิตอย่างไรในการที่จะทําหนังสือนั้นในประสบความสําเร็จ ก็คือการการที่การตั้งใจตั้งใจตัวนี้เป็นเรื่องของเจตนาเจตจำนงความจงใจความตั้งใจในการที่จะทําหนังสือให้ประสบความสําเร็จทีนี้การทําหนังสือก็ดีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพุทธเจ ด, ดีก็ดีพระพุทธรูปก็ดีหรือว่าทวารวัตถุทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาถามว่าที่จริงเนี่ยเราก็ทำกันบุคคลที่ทํากันมาก็ทําสําเร็จกันทุกครั้ง ทำไมก็อยากทำกิจเป็นการทํากิจที่ค่อนข้างออกมาก็ดีถ้าไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงกันอยู่แน่เลยก็ทําออกมากันก็ดีพอสมควรนี่นู้ทีประเด็นอยู่ว่าถ้าจะให้เสริมนี่แะละที่จะพูดต่ออันนี้คือการทํากิจเห็นไหม แต่มันมีสองส่วน 1. การทำกิจ 2. การทำจิตทำกิจกับทำจิตไม่เหมือนกันทีนี้การทำกิจก็คือการทำงานการทำงานงานก็ได้ผลใช่ไหมคนทำงานก็ต้องเป็นสุขหลักการมันต้องอย่างนี้ถ้า ง, งานได้ผลคนเป็นทุกข์ได้หนึ่งเสียหนึ่งงานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์เสียสองเลยงานก็เสียคนก็เสียนันคือการทำกิจกับการทาจิต การทำกิจเนี่ยถ้าดูจากงานที่ทำกันมาก็ใช้ได้พอสมควรแต่แต่สิ่งที่อยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่าการทำงานที่จะได้ผลที่ดีที่สุดก็คืองานได้ผลคนเป็นสุขก็หมายความว่ า, วาทำกิจด้วยจิตที่มีความเชื่อมัน่นทำกิจ ด้วยจิตที่มีความเกล้าทํากิตด้วยจิตที่ไม่ขาดสติมีสติกํากับอยู่กับตัวไม่ฟั่นเฟือนเลื่อนหลงทํากิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านทํากิตด้วยจิตที่มีปัญญาคือรู้และเข้าใจอันนี้แปลว่าทําทั้งสองเลยในขณะทํากิตไปด้วยก็ไม่ปล่อยให้ความกําหนัดมาครอบงําไม่ให้ความขัดเคืองมากุ้มรุม ไม่ให้ความหดหู่ท้อถอยมากุ้มรุมไม่ให้ความฟุ้งซ่านลำคาญใจมากุ้มลุมไม่ให้ความลังเลสงสัยมากุ้มลุมเหตุที่ความกําหนัดขัดเคืองหดหูท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยไม่กุ้มรุมจิตเพราะทํากิตด้วยความไม่ประมาททีนี้ทํากิตด้วยความไม่ประมาทเป็นชื่อของการเจริญสติทีนี้การที่จะเจริญสติหรือการฝึกสติในการการะทํานั้นก็คือมีสติกํากับ อยู่กับตัวมองไปเห็นพระเจดีย์พอสติกำกับระลึกหรือนึกนึกถึงพระเจดีย์ในขณะที่ทํานั้นเน่ยเห็นองค์พระเจดีย์เห็นการประทับของพระพุทธเจ้าคือพระบรมสารีริกธาตุเห็นพระพุทธรูปคือเป็นอุเทนสกัดเจดีย์เป็นองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แทนพระพุเจ้าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บ จิตเกิดความเลื่อมใสว่าเราจะทำพุทธคุณเราจะทำให้คนทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้รู้จักพระพุทธเจ้าคนที่ไม่รู้จักพระธรรมให้รู้จักพระธรรมคนไม่รู้จักพระสงฆ์ให้รู้จักพระสงฆ์เราจะทำสิ่งนี้ที่ดีงามที่สุดเราจะให้พระพุทธเจ้าโปรดหมู่เวนัยศาสตร์ทั้งหลายที่ได้มาอ่านมาศึกษามาได้เรียนรู้ตรงนี้ คน оты, informal, ที่มาอ่านมาศึกษามาเรียนรู้ตรงนี้เขาไม่มีศีลเขาจะได้มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาจะได้มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาจะได้มีปัญญาเขามีกายทุจริตเขาจะได้ออกจากกายทุจริตมาเข้าสู่กายสุจริตเขามีวจีทุจริตเขาจะได้ออกจากวจีทุจริตมาเข้าถึงวจีสุจริตเขามีมโนทุจริตเขาจะได้ออกจากมโนทุจริตมาเข้าสู่มโนสุจริตเขามีความเห็นผิดเขาจะได้มีความเห็นถูกจากการที่เราได้ประกาศ พระพุทธเจ้าประกาศคุณของพระพุทธเจ้าให้หมู่เวียนยาศาสตร์ทั้งหลายหรือประชาชนทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในครั้งนี้เป็นบุญยร า, าบของเราเนอะเราได้ทำสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่จะมีโอกาสเช่นเราเนี่ยน้อยเหลือเกินฉะนั้นถึงแม้จะยากเราก็จะทำสิ่งเนี่ยที่ยากเนี่ยโดยไม่ท้อถอยับอกว่า ทำสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นทําได้ยากเอาชนะต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยากอดทนต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นทนได้ยากเราจะทำความยากความลาบากเนี้ยให้เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นบุญเป็นโอกาสของเราเราได้โอกาสนี้แล้วชีวิตเรายังมีอยู่สติปัญญาก็ยังมีความสา ม, มารถศักยภาพเรามีหลายด้านอะไรที่มันขาดเราจะสแสวงหามาเติมเต็มเราจะทาให้ดีที่สุดเพื่อประกาศคุณของพระเจ้านั้น ให้สว่างรุ่งเรืองประดุจ ด, ดวงประทีปประกาศคุณของพระธให้สว่างรุ่งเรืองประดุจ ด, ดวงประทีปประกาศคุณของหมู่ภริยาสง์ให้สว่างรุ่งเรืองประดุจ ด, ดวงประทีปให้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่มืดบอดได้เห็นทางในการดาเนินชีวิต ท, ที่ถูกต้องดีงามคิดอย่างนี้มนัสิการอย่างนี้แล้วเราก็จะได้กาลังใจในการที่ทางานพอจะชัดยังอ่ะโอเค